พญาณาสันวอนชเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายมทรงอนญาตเสนาสะนะในสามพรรา น, นี้ พระพุทธเจ้าได้ประทับจำบรรษาที่พระเวรวนันมีเรื่องที่น่านำมาเล่าบางเรื่องสืบต่อไปคือเรื่องทรงอนุญาตเสนาสนะคำว่าเสนาสนะแยกออกเป็นสองเสนาแปลว่าที่นอนอาสนะแปลว่าที่นั่งสมทิเป็นเสนาสนะแปลว่าที่นอนที่นั่งรวมหมายถึงที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งจะต้องเข้าไปนอนไปนั่งในนั้นเดิมพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้รับอารามดังพระอเวรุวันซึ่งเป็นอารามคือเป็นสวนพระเวรุวันเป็นสวนหลวงจึงน่าจะต้องมีที่พักอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แสดงไว้ชัดแต่จะต้องมีต้นไม้มากเป็นแน่นอนเหมือนอย่างที่เรียกว่าสวนในบัทนี้คําว่าอารามแปลว่าเป็นที่มาเยินดี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 สืบสืบกันมาว่าวัดจะต้องมีต้นไม้ก็เป็นไปตามประวัติที่วัดนั้นมาจากอารามคือศูนต้นไม้ดังที่กล่าวมานั้นที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวรโรรสก็ดีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานวงก็ดีก็โปรดให้มีต้นไม้ต้นไม้ต้นไหนล้มก็โปรดให้หามาปลูกไว้แทนที่ใหม่ เพราะวัดจะต้องมีต้นไม้ให้เป็นที่ร่มรื่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวจิยวรยญาณวโรรสได้ทรงสันนิฐานว่าอารามที่เป็นวัดในชั้นเดิมนั้นกรรมสิทธิ์ก็อยู่กับผู้ถวายดังเช่นพระเวลุวันก็คงเป็นของหลวงอยู่และก็คงจะต้องมีผู้รักษาซึ่งเป็นของหลวงแต่ว่าได้พระราชทานสำหรับให้สงอาศัยได้ในชั้นต้นนั้น ยังไม่กล่าวถึงเรื่องเสนาสนะคือกุติวิหารจึงมีเล่าไว้ในเสนาสนะขันทักะัพพระบาลีวินัยว่าเช้าวันหนึ่งเศรษฐีกลุ่งรัชคริสได้ออกไปเห็นพระพิสุกเวลาเช้าตรู่กำลังออกกันมาจากป่าบ้างโคนไม้บ้างภูเขาบ้างซอกเขาบ้างถ้ำบ้างป่าชาบ้างสมทุมพุ่มไม้บ้างที่แจ้งบ้าง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 อันหมายถึงที่อยู่เช่นกุติหรือกระท่อมอัทยโยคะอันหมายถึงที่อยู่ที่บางครึ่งหนึ่งเปิดให้โปร่งไว้ครึ่งหนึ่งปราสาทอันหมายถึงเรือนชั้นหามเมียอันหมายถึงที่อยู่ที่มีหลังคาตักคูหาอันหมายถึงถ้ำเป็นถ้ำอิดที่สร้างขึ้นหรือว่าถ้ำภูเขาหรือถ้ำที่พ่อขึ้นด้วยดินอย่างใดอย่างหนึ่งพระพิสุ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 และไปฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้ากับภิกษสุสงฆ์ก็ไปที่บ้านของเศรษฐีนั้นเศรษฐีนั้นก็อังคาดคือถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าและภิกษสุสงฆ์และกราบทูลถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรในวิหารหกสิบหลังนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้ประดิษฐานไว้เพื่อสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่ เศษฐีก็กราบทูลถวายประดิษฐานคือให้ตั้งไว้เพื่อประสงค์ที่มาจากทิศทั้งสี่พระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาด้วยพระพุทธภาศิตที่ท่านร้อยกรองเอาไว้ขึ้นต้นว่าสีตังอุนหังปฏิหันติเป็นต้นที่มีคำแปลด้วยความว่าวิหารนั้นย่อมกาจัดเย็นร้อนกันสัตรายสัต์ลื้อครา และยุงคุ้มฝน ล, ลมแดบบการถวายวิหารแด บ, บสูงเพื่อเป็นที่เร้นเพื่อความสำราญเพื่อบำเพ็ญสมถะวิปัสนาพระพุท ธ, ธทั้งหลายสันเสริญว่าเลิศเหตุนั้นบัณฑิตแะเห็นประโยชน์จึงให้ทำวิหารอันน่าสำราญแล้วเชิญท่านผู้พระหูสูตรให้อยู่พึงให้ข้าวให้น้ำพ้านห่มเศนาสนะ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 ในสภานิติบัญญตัติแบบนี้ก็ใช้วิธีคล้ายกันนี้ที่ใช้ยัตติผลหนึ่งและปรึกษากันอีกสามวาระก็เป็นสี่วาระทั้งยัตติตั้งแต่นั้นมาก็ใช้วิธียัตติจตุถกรรมอุปสมบทจนถึงบัดนี้และพระสารีบุตรจึงได้อุปสมบทราพพรามด้วยวิธีนั้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาก็ชื่อว่าได้ส่งมอบให้สงเป็นใหญ่ในการอุปสมบทและในสังฆกรรมทั้งปวง ประเภทของสงฆ์คำว่าสงฆ์นั้นแปลว่าหมู่ในที่นี้หมายถึงการกาสงคือหมู่ของพิกษุผู้กระทำกรรมมีจำนวนอย่างต่ำตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปและได้มีกำหนดไว้โดยย่อดังนี้จตุวักสงคือสงฆ์ที่มีจำนวนพิสุจผู้ประชุมกันสี่รูปนี้เป็นการกาสงที่สามารถทำสังฆกรรมท่ทั่วไป ว้นแต่สังฆกรรมที่ระบุจํานวนมากกว่าปัญจวัคสง์สงมีจํานวนห้ารูปประชุมกันนี้สามารถทําสังฆกรรมได้แก่ประวนาออกพรรษาอุปสมบทกุลบุตรในปัจฉิมชนบทหรือปัจจันตชนบทถ้ามีจํานวนต่ำกว่านี้คือสี่รูปทําไม่ได้ทศวัคสงสงมีจํานวนพิสูต ป, ประชุมกันสิรูปขึ้นไปสามารถทําสังฆกรรม คืออุปสมบทกุลบุตรในมัชิมะชนบทหรือมัชิมะประเทศถ้าต่ำกว่านี้ทำไม่ได้วิสติวัคสงสงมีจำนวนพิสุจน์ยี่สิรูปขึ้นไปสามารถทำสังฆกรรมคือการให้อภานแก่พิกษุผู้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษและอยู่ปริวาทมานัณครบกำหนดแล้วมาขอให้สงจำนวนนี้สวดชักเข้าวหมู่ตามเดิม ถ้าจำนวนต่ำกว่านี้ทำไม่ได้เมื่อทรงอนุญาตให้สมเป็นใหญ่ในการประกอบสังครรมดังนี้จึงต้องมีกำหนดลักษณะนในการประชุมกันอีกหลายอย่างเมื่อครบถ้วนมริบูรณ์ก็เรียกว่าสมบัติถ้าหากว่าขาดตกบกร่องก็เรียกว่าวิบัติถ้าเป็นสมบัติก็ใช้ได้ถ้าเป็นวิบัติก็ใช้ไม่ได้ก่าวคือ 1. เกี่ยวแก่วัตถุได้แก่ที่ตั้งหมายถึงบุคคล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 ก็จะต้องเป็นเขตชุมนุมที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้จึงจะเป็นสีมาสมบัติถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นสีมาวิบัติใช้ไม่ได้ 3. เกี่ยวกับบริษัทคือพิกษุที่มาประชุมกันเป็นสงนั้นก็จะต้องเป็นภิกษุประกตัดตะคือภิกษุปกติไม่ได้เป็นผู้ต้องปรารชิบหรือไม่ได้ถูกสงยกวัดและไม่ละพัทธบาทกัน หัตถบาตรแปลว่าบ่วงมือคือเข้ามานั่งใกล้กันอยู่ในระยะที่เอื้อมมือของกันและกันถึงถ้าจะน้ำก็ขนาดสอกคืบจากกันและกันไม่ห่างจากนั้นประชุมกันอยู่ในหัตถบาตรดังกล่าวนี้ในสีมาอันเดียวกันคือในเขตชุมนุมอันเดียวกันและในขนาดที่ประชุมกระทําสังฆกรรมอยู่นั้นภิกษุที่นั่งในที่ประชุมก็ไม่ออกไปนอกหัตถบาตรและภิกษุ ข, ข้างนอก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 พระมหาสมมาเนยมไม่ให้ใช้ให้ใช้แต่สิบรูปขึ้นไปในอินเดียเดี๋ยวนี้ที่เป็นมัชชิมาประเทศในสมัยนั้นขั้นมาถึงสมัยนี้จะหาพระถึงสิบรูปก็คงลำบากแต่ว่าถ้าจะไปบวชในอินเดียในเขตที่กำหนดว่าเป็นมัชชิมาชนบทหรือมัชชิมาประเทศก็ต้องถือตางวินัยบัญญัติไว้น้อยกว่าสิใช้ไม่ได้น่าสังเกตสีมาวัดบวรนิเวศวิหารนี้ มีประวัติการผูกสามคราวคราวแรกก็ผูกเข้ามุกหน้าของพระอุโบสถนี้ครั้งที่สองขยายออกไปถึงแนวพนสิงโดยรอบครั้งที่สจึงขยายออกไปอีกด้านหน้าพระอุโบสถที่มีต้นกันทั้งสองเป็นนิมิต ด, ด้านข้างคือด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกนั่นดีบ่อน้ําเป็นนิมิตเบื้องหลังก็มีเสาหินคู่หนึ่งนั่นเป็นเขตนิมิต รวมกันเข้าก็ป่องกลางมีสันฐานดังตะโพลเหมือนกันบางทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะได้ทรงจับเอาเขาว่ามุททิ้งข้าสันฐานโนที่ว่ามัชชิมาประเทศมีสันฐานเหมือนดังตะโพลสีมาวัดนี้มีสันฐานเหมือนดังตะโพลเสด็จกรุงกบิลพัทในระหว่างพรรษาทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าได้เสด็จ กรุงก บ, บิลพัท ส, สักชชนบทในหลักฐานชั้นบาลีบ่งว่าร่วมอยู่กับแกลนโกศลดังที่ในตอนปลายพุทธกาลเล่าถึงพระเจ้าประเสิทธิโกศลได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้ามีพระชนแปดสิบปันสาพระเจ้าประเสิทธิโกศลก็มีพระชนแปดสิบปันสาพระพุทธเจ้าเป็นชาวโกศลพระเจ้าประเสิทธิก็เป็นชาวโกศล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 ได้เสด็จจาริษประกาศพระพุทธศาสนาจนมาประทับอยู่ที่พระเวรุวันในกรุงราชครืดพระพุทธบิดาก็ได้ทรงสั่งข่าวนี้มาโดยลำดับและได้ทรงส่งทูตมาทูลเชิญเสด็จไปกรุงตบิลพัทผู้ที่มานั้นก็มาฟังคำและบวชในสำนักพระพุทธเจ้าไม่กลับไปจนถึงพระพุทธบิดาได้ทรงส่งอมาธผู้หนึ่งชื่อว่าการุทยแปลว่าอุทายดำ เพราะมีผิวดำสักหน่อยเป็นทูตมาเชิญเสด็จอัมมาไกไทยีนั้นเมื่อได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมก็ได้บวชและได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงกบิลพัทพระพุทธเจ้าที่ได้เสด็จจากกรุงราชคฤิสทรงดำเนินด้วยพระบาทไปยังกรุงกบิลพั์โดยลดำดับในชั้นบาลีไม่ได้กล่าวไว้ชัดเจนเสด็จเมื่อไรแต่ว่าในชั้นอาจาัจฉริย นั้สแสดงเวลาไว้ดังนี้พรรษาแรกใ้ทรงจำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิตปตนะมฤคทายวันถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเด็ออกพรรษาแล้วก็เสด็จไปโปรดชะตินประทับอยู่ที่ตาบลออรุเวลาเป็นเวลาถึงสามเดือนคือจนถึงกลางเดือนยี่ต่อจากนั้นจึงเสด็จไปกรุงราชคฤตทรงรับพระเวรวันวันสิ้นเดือนยี่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 อาจจะเทียบได้ที่กล่าวถึงระยะทางจากพุทธคยาคือที่ตรัสรู้ไปถึงป่าอิสิปตนะมฤุกขทยวันเป็นระยะทาง18โยต์เดี๋ยวนี้ทางใ้แผนที่ปัจจุบันตามทางรถไฟตกหนึยิไม้อยอนหน่อยคือไม่ถึง120ไม้ดีที่เป็น18โยต์ก็อาจจะคิดเทียบเทียงได้ดังนี้ส่วนระยะทางจากกรุงราชคริสถึงกรุงกบิลพัทแวนสักกะนั้นหกสิโยต์ สเสด็จวรโยต์ที่กล่าวว่าสเสด็จไม่รีบร้อนเมื่อไปขึนพระญาติมีพระพุทธสุภโธนะเป็นประธานก็ถวายการต้อนรับและจัดให้ประทับที่อารามของเจ้าสักยะองค์หนึ่งชื่อว่านิโครธจึงได้เรียกว่านิโครธารามในชั้นแรกพระญาติชั้นผู้ใหญ่คือผู้ที่สูงอายุ ก, กว่าไม่ยอมถวายบังคมคือไหว้พระพุทธเจ้า เพราะวงศักยะนี้เป็นผู้ที่มีมา n a แรงมากไม่ยอมแสดงความเคารพแก่ผู้ที่อ่อนอายุ ก, กว่าท่านแสดงว่าฝนโบกระพัดได้ตกแปลว่าฝนที่มีสีแดงและพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงเวสันตรชาดกคือเรื่องพระเวสันดรที่มีความโดยย่อว่าพระเจ้าสัมชัยแห่งสีวีรบได้มีพระโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเวสันดร พระสูแต่พระนางกุศลีพระเวสสันดรนั้นครั้นเมื่อมีพระชนเจริญขึ้นก็ได้ทรงอภิเษกกับพระนางมัสสีมีพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่าชาลีพระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่ากัญหาพระเวสสันดรเป็นผู้ที่มีพระหัตถัยกว้างขวางทรงบำเพ็ญทานอยู่เสมอมีพระอัจฉริยายน้อมน้าไปในทางมรรจากอย่างไม่อั้นและไม่หยุดยั้งได้ประทานช้างเผือ สำหรับพระนครแก่พราหม์ชาวกริงครัฐไปชาวเมืองจึงเกิดความไม่พอใจประชุมกันให้พระเจ้าสันชัยในประเทศพระเวสสันดรพระเจ้าสันชัยก็จำต้องทรงปฏิบัติตามความประสงค์ของประชาชนในประเทศพระเวสสันดรไปพร้อมกับพระชายากับพระโอรสพระธิดาทั้งสี่พระองค์ได้เสด็จไปทรงผนุ่งเป็นฤาษีอยู่ในป่าแต่ก็ยังมีพราหม์จู่โจกไปทูลขอพระชาลีพระกันหา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 เป็นการแลกเปลี่ยนพระชนนดาและพระเจ้าสรรชัยก็ได้ทรงพาพระชนนดาออกไปรับพระเวสสัดนดรกับพระนามัสสีเสด็จ ก, กับพระนครเรื่องโดยย่อก็มีเท่านี้โปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพน์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป